พออ่านตรงนี้นะเรารู้สึกขึ้นมาอธรรมะอะไรประหลาดจริงๆนะจิตมันทุกนะถ้าจิตมันทุกนะมันไม่ใช่เราทุกนะี่ใจรู้สึกอย่างนี้นะถ้าจิตไม่ทุกเสียอย่างแล้วใครจะทุกอ่านธรรมะของท่านแล้วมันมกเข้ามาตรงนี้ได้โอ้อยากรู้จักนะอยู่ที่ไหนก็ไม่รู้พระองค์นี้ไปเที่ยวถามถามคนนละ้วเขาบอกโอ้คงตายไปแล้วล่ะคงมรณภาพไปแล้วนะ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 จิตเป็นคนรู้พอจิตเป็นคนรู้แล้วก็ค่อยๆเห็นนะทุกอย่างมันเป็นสิ่งที่จิตรู้นี่ถ้าพูดในภาษาพิธรรมภาษาปริยัติแนละ้วก็คือจิตกับอารมณ์นั่นเองจิตเป็นธรรมชาติที่รู้อารมณ์อารมณ์มมคือสิ่งที่จิตไปรู้เข้าคําว่าอารมณ์ในทางศาสนาพุทธไม่ได้แปลว่าอ m o t i o n อารมณ์แบบที่พวกเรารู้จักในคนยุคนี้รู้จักอารมณ์นั้นเป็นสัพ์เฉพาะแปลว่าสิ่งที่ถูกจิตรู้นะ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 เหมือนไฟเนี่ยจับกี่ทีก็ร้อนทุกทีก็คงที่อยู่อย่างนัน้นั้นเราไม่ได้แยกอย่างนั้นแต่ว่าหลวงพ่อหัดใหม่ๆนะครูบาอาจารย์ไม่ได้ช่วยย่อยให้ก็ราำบากพยายามแยกใ่แยกดึงดึ ง, ด, งดึงใหญ่นะหาทางทั้งดึงทั้งผลักนะแทบจะเรียกว่าเอาเท้าถีบมันเลยถีบาทางนี้ก็พยายามเหนียวนะอยให้มันแยกนะทำอยู่อาทิตย์หนึ่งนะหลุดออกมาได้ดีจังเลยหลุดออกมาแล้ว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 วันหนึ่งท่านก็เปรยเปรย์ครับผู้ปฏิบัติส่วนมากนะกระทั่งที่มีชื่อเสียงมากมากอเนี่ยส่วนมากเป็นผีใหญ่ท่านว่าองนี้คาว่าผีใหญ่ของท่านหมายถึงเป็นพระนักคาตายแล้วไปเป็นผลม่มเราก็ฟังไว้นะส่วนมากยังไม่จบหรอกทำไมมันยากเย็นแสนเข็ญนะผู้ปฏิบัตินะมีเยอะท่านบอกเหมือนขนบัวนะบัวทั้งตัวมีขนเยอะ